ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านบุกฟังทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงราสียาสูตรที่แปลว่าพระสูตรว่าโดยของที่บอปชิดไม่ควรเสพในคราวหนึ่งมีนายบ้านคนหนึ่งมาคฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลถามว่ามีคนก็กล่าวว่าพระองค์ กล่าวตำหนิติเตียนการทำตนให้ได้รับความลำบากและการปล่อยกายปล่อยใจให้มัวมอมหมกมุ่นอยู่ในการมและสันเสริญการอยู่อย่างปอนปอนเพียงอย่างเดียวข้อกล่าวหาเหล่านี้ถือว่าเป็นเป็นการกล่าวที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นการกล่าวตู่พระองค์พระพุทธมีพระพักเจ้ า, าก็รับสั่งว่า คำกล่าวเช่นนั้นเป็นการกล่าวตู่พระองค์ไม่ตรงต่อความเป็นจริงเพราะาพระองค์ทรงแสดงธรรมะที่เหมาะควรแก่ฐานะของบุคคลและจากนั้นก็ทรงแสดงธรรมแก่ท่านคามนิคือนายบ้านซึ่งอาจจะเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปโดยลาดับในตอนแรกเป็นการพูดถึงเรื่องของบัพปิชิตคือผู้ที่บวชเข้ามา ว่าไม่ควรปฏิบัติในทางที่เรียกว่าอัตกิลามาทธานุโยคคือทำตนให้ได้รับความละปากกับการมาสุขาริกานุโยคคือการปล่อยกายปล่อยใจยให้เพลิดเพลินอยู่ในการมคุณทั้งหลายและทรงเน้นให้ปฏิบัติในหลักที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นสายกลางจากนั้นก็ทรงแสดงเรื่องของชาวบ้านที่พระองค์ทรงยกจ้อง แล้วก็ตำหนิไปเป็นชุดๆคือสามชุดด้วยกันชุดละสามกลุ่มกลุ่มแรกนั้นจงแสดงว่าชาวบ้านบางคนนั้นเลี้ยงชีวิตในทางที่ไม่ชอบทำด้วยเลี้ยงชีวิตอย่างพรุนผพรนด้วยไม่ได้เลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขไม่กระทำบุญไม่ให้ทานบุคคลกลุ่มหนึ่งอีก กลุ่มที่สองนั้นเลี้ยงชีวิตในทางที่ไม่ชอบธรรมแล้วก็เลี้ยงชีวิตโดยผุนผันเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขแต่ไม่กระทำบุญไม่ให้ทานบุคคลประเภทที่สามนั้นเลี้ยงชีวิตในทางที่ไม่ชอบธรรมแล้วก็เลี้ยงชีวิตโดยความผุนผันเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขกระทำบุญและให้ทาน บุคคลสกลุ่มส า, มสามกลุ่มนี้ก็ส่งยกว่าบุคคลกลุ่มแรกนั้นเป็นผู้ที่ควรติเตียนด้วยประการทั้งปวงคือทั้ง3ฐานะฐานะแรกในการเลี้ยงชีวิตในทางที่ไม่ชอบธทำแล้วก็เลี้ยงชีวิตโดยกา ร, รผล็ปแพรร์ฐานะที่2ก็คือไม่เลี้ยงดูตัวเองให้เป็นสุขฐานะที่สาคือไม่ทําบุญไม่ให้ทาน คือไม่เอาอะไรเลยสักอย่างก็เป็นบุคคลที่พึงตาหนิโดยส่วนเดียวค้ น, นี้ก็ตรงกันหลักที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าทรงยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อมีการกระทำที่ควรยกย่องตาหนิบุคคลที่ควรตาหนิเมื่อมีการกระทำที่ควรตาหนิซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าบุคคลประเภทที่เลี้ยงชีวิตในทางที่ไม่ชอบธรรมโดยผุนผัน ไม่เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวให้เป็นสุขด้วยทั้งไม่กระทำบุญแม่ทานด้วยก็ไม่มีอะไรเลยที่จะยกย่องไม่รู้จะเอาอะไรมายกย่องก็เลยก็เป็นบุคคลที่ควรตําหนิโดยส่วนเดียวบุคคลประเภทนี้ไม่ว่าจะอยู่ในพุทธศาสนาหรือในศาสนาอะไรก็ตามเมื่อดูกรรมคือการกระทาของเขาแล้วก็เป็นกรรมที่ควรแก่การรังเกียจทั้งนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตําหนิ บุคคลประเภทที่สองที่เลี้ยงชีวิตในทางที่ไม่ชอบธรรมแล้วก็โดยผลนผลันในขณะเดียวกันก็เลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขแต่ไม่กระทำบุญไม่ให้ทานมันก็ถูกตําหนิสองฐานะฐานะที่เลี้ยงชีวิตในทางที่ไม่ชอบธรรมโดยผลนผลันคือของที่ได้มานั้นผิดศีลธรรมผิดกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันได้มาแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุข ก็ควรยกย่องในฐานะที่รับผิดชอบครอบครัวเอาใจใส่ให้ความสุขแก่ครอบครัวตามสมควรแกร่ฐานะของตนแต่ในฐานะที่เป็นคนซึ่งต้องรับผิดชอบต่ออนาคตคือชีวิตในการภายหน้าและชาติหน้านั้นก็าือว่าเป็นคนประมาทคือไม่ได้สร้างสมบูรณ์กุศลอะไรเอาไว้เพื่อเป็นสเสบียงเลี้ยงตนไปในภายภาคหน้าจึงตาหนิอยู่สองฝ่าย แต่ก็ยกจ้องฝ่ายนึ่งบุคคลประเภทที่สมนั้นเลี้ยงชีวิตในทางที่ไม่ชอบธรรมโดยผ ร, รุนพลันแต่ว่าเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวให้เป็นสุขกระทําบุญให้ฐานมันก็ถูกตําหนิในชั้นของการแสวงหาปัจจัยเพราะปัจจัยที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมนั้นเราต้องสร้างความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลอื่น แต่ในฐานะของหัวหน้าครอบครัวก็เอาใจใส่ดูแลครอบครัวดีแล้วก็ยังเอาสิ่งเหล่านั้นมาทําบุญมาให้ทานมาสงเคราะห์นุเคราะห์คนอื่นเสียแน่นอนในแง่ของทานที่ประณีตนั้นของที่ได้มาในลักษณะนี้ก็ถือว่าปัจจัยมันไม่สมบูรณ์แต่ไม่ถึงกับว่าไม่ได้บุญอะไรเฉยๆสาหรับคนธรรมดาธรรมดาชั้นนี้ยังไงก็ควรยกย่องอยู่ นี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งนั้นตรงแสดงว่าบุคคลบางพวกเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างผลผลนบ้างไม่ผลผลันบ้างแล้วก็ไม่เลี้ยงดูตัวเองให้เป็นสุขไม่กระทำบุญไม่ให้ทานบุคคลกลุ่มนี้จะเห็นได้ว่าในกรณีที่เพราะมันมีทั้งชอบทาและไม่ชอบทำ ในช่วงที่เป็นความชอบธรรมคือตัดตอนเอาเฉพาะช่วงที่ชอบธรรมและช่วงที่ไม่ผลุแผันเราถือว่าเป็นการกระทาที่ควรยกย่องแต่ว่าเมื่อได้มาแล้วกลับไม่เลี้ยงดูตัวเองให้เป็นสุขไม่กระทำบุญไม่ให้ทานล้วก็ควรจะทาหนี้ในสองฐานะคือในฐานะที่ไม่เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวให้เป็นสุขกับไม่กระทาบุญไม่ให้ทาน ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแม้จะหาได้มาในทางที่ชอบธรรมก็ตามแต่ก็เก็บรักษาไว้โดยไม่ให้เกิดประโยชน์อะไรแก่ตนเองและแก่ครอบครัวตลอดถึงแก่สังคมทรัพย์สมบัติจึงมีฐานะเหมือนสะโบกณีที่ผีเสือสนนส้อยักหวงแหนซึ่งจำนวนนี้ทรงใช้บ่อยสะโบกณีที่ผีเสื้อยักหวงแขนภาษาสมัยก่อนรู้สึกว่าบ่อยใช้แล้วคนก็เข้าใจง่าย คือตรโบกัณีบางศาสร์นั้นก็ถือว่ามียักษินีเขสิงอยู่น้ำใสสะอาดมีกบบวัวมีดอกบวัวมีที่น่ารื่นรมน่าเที่ยวน่าอาศัยอาบดื่มแต่ว่าคนก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะกลัวยักษินีในสถานที่นั้นศาสร์น้ำนั้นจึงไม่สามารถอำนวยประโยชน์อะไรแก่ประชาชนทั้งหลายได้ทรัพย์สมบัติที่หามาได้แม้โดยชอบธรรม แต่ถ้าไม่เลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขไม่อันตรเข้าเกื้อกูลสังคมก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ควรตําหนิประเภทนี้ก็ยกย่องอย่างแต่ทีนี้ถ้าตัดช่วงเอาช่วงแรกคือในกรณีที่ไม่ชอบทำโดยผลนผลนก็ถือว่าควรตําหนิหมดเลยเช่นเดียวกับบุคคลประเภทแรกในกลุ่มแรกบุคคลประเภทที่สองเรียกว่าหากินในทางที่ชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้าง แต่ว่าเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขไม่ทำบุญไม่ให้ทานบุคคลประเภทนี้ก็หยิบมายกย่องได้สองช่วงคือช่วงที่แกแสวงหาปัจจัยในทางที่ชอบทำแล้วก็โดยไม่ผุนพรนกลับเอามาเลี้ยงดูตัวเองให้เป็นสุขแต่ในขณะเดียวกันก็ควรตําหนิอยู่หนึ่งช่วงคือไม่กระทำบุญไม่ให้ทาน แต่ทีนี้สมมติว่าช่วงของการสแสวงหากเกิดเป็นว่าไม่ชอบทําด้วยปรุนผันด้วยก็ยกย่องฐานะเดียวคือนำทรัพย์สมบัติเห่านั้นมาเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวให้เป็นสุขบุคคลชุดที่สามชุดที่สามในในกลุ่มสองนะฮะคือเลี้ยงชีวิตโดยปรุนผานบ้างไม่ปรุนผานบ้างแต่ก็ เลี้ยงชีวิตโดยชอบทําบ้างไม่ชอบทําบ้างผลผลันบ้างไม่ผลผลันบ้างแต่ก็นํามาเลี้ยงดูตัวเองให้เป็นสุขแล้วก็ทําบุญให้ทานพวกนี้ถ้าตัดเอาเฉพาะช่วงที่แก่สแสวงหาโดยทางที่ชอบทํากับช่วงที่ไม่ผลผลันก็ถือว่าควรยกย่องทั้งสามฐานะแต่ถ้าเกิดว่าทรัพย์สมบัติที่หามาเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวให้เป็นสุขก็ทําบุญให้ทานเกิดได้มาในทางที่ไม่ชอบทําก็ควรตําหนิในช่วงที่ ได้มาโดยไม่ชอบธรรมคือในช่วงของการแสวงหาคนนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าหลักของพระพุทธศาสนานั้นท่านเรียกว่าการณาว์วสิโกคืออยู่ในมหน้าแห่งเหตุคือพูดกันโดยเหตุโดยผลไม่ได้เอาอารมณ์ไม่ไดเอาอาคติเข้ามาตัดสินอะไรใครทั้งหมดเลยสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างไรก็พูดกันอย่างนั้นถึงแน่นอนบางครั้งอาจจะไม่ชอบใจคนอื่น บางครั้งอาจจะทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปแต่ความจริงเป็นยังไงก็พูดอย่างนั้นดังนั้นถ้าเราไปเชื่อมโยงกับหลักของการพูดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประเภทวาจาที่พระองค์รับสั่งแล้วก็แบ่งวาจาออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะฮะที่พระพุทธเจ้ารับสั่งนะกลุ่มแรกก็คือ1เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงสองเป็นเรื่องดีส ม, มีประโยชน์ ถูกการ5คนฟังไม่ชอบใจดังนจะเห็นว่าถ้าคุณสมบัติของวาจานั้นครบ4คือเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ถูกการแม้คนฟังไม่ชอบใจแต่เป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องพูดก็อนุญาตได้พูดวาจานั้นพระพุทธเจ้าก็รู้การที่จะรับสั่งวาจานเช่นนั้นกลุ่มที่สองนั้นคือดีหมดตั้ง5อย่าง ดังนั้นเป็นเรื่องจริงเรื่องดีมีประโยชน์ถูกการคนฟังชอบใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดได้ในที่ทั่วไปจึงเป็นหลักของการพูดซึ่งก็หมายความภาษากลใครก็ตามต้องการพูดเรื่องอะไรก็ยุติด้วยหลักในสองชุดนี้เรียกชื่อว่าสําเร็จประโยชน์จากการพูดทีนี้การจะยกจ้องจันการจะติเตียนใครก็ มีลักษณะดังกล่าวคือพูดกันเฉพาะการกระทำของเขาโดยไม่ถือความผูกพันหรือความขัดแย้งเป็นการส่วนตัวเข้ามาเป็นเครื่องตัดสินประการต่อไปนั้นทรงแสดงอีกชุดหนึ่งชุดนี้เริ่มเริ่มด้วยบุคคลบางพวกนั้นหากินในทางที่ชอบทำโดยไม่พรุนพรานแต่ก็ไม่เลี้ยงตัวเองให้เป็นสุข ไม่กระทำบุญไม่ให้ทานจึงจะเห็นว่าบุคคลประเภทนี้ก็ควรยกจ้องในกรณีของการสแสวงหาในทางที่ชอบทำโดยความอุตสาหะมานะพยายามของตัวเองด้วยความหมั่นขยันของตัวเองแต่ว่าเอาก็จริงแล้วมันก็กลายเป็นผีสะบกรณีที่ผีเสือยักหวงแหนดังกล่าวแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรให้เกื้อกูลแก่สังคมก็ควรตาหนิสองฐานะ คือฐานะที่ไม่เอาทรัพย์สมบัตินั้นให้เกื้อกูลแก่ตนเองและเกื้อกูลแก่สังคมชุดที่สองหากินในทางที่ชอบธรรมด้วยไม่ผรุนผรันด้วยเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้เป็นสุขด้วยแต่ไม่กระทาบุญไม่ให้ทานเป็นการหาประโยชน์สุขจากทรัพย์เฉพาะในชีวิตปัจจุบันจึงอาจจะมั่งคั่งสมบูรณ แต่ว่าชื่อว่าไม่รับผิดชอบต่อสังสารวัตแต่อภพชาติของตนที่จะต้องอุบัติบังเกิดในโอกาสต่อไปจึงควรตำหนิในกรณีที่ไม่กระทำบุญแม่ทานแต่ว่าสองช่วงแรกก็ควรยกจ้องเขาส่วนชุดที่สามนั้นถือว่าเป็นชุดที่สมบูรณ์ที่สุดในชีวิตของคนถ้ามาพูดครองเรือนนะต้องใช้คำว่ากามาโภคี คือผู้บริโภคกามชาวบ้านทั่วไปสามัญธรรมดาคือว่าในการสแสวงหาปัจจัยนั้นจะต้องได้มาในทางที่ชอบทำเราไม่ได้มาโดยผลระนเมื่อได้มาแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวให้เป็นสุขในขณะเดียวกันก็ส่วนหนึ่งทำบุญให้ทานเป็นการเกื้อกูลแก่ ต, ตนเองชื่อว่าเป็นอะไรชื่อว่า ทำประโยชน์ตนให้สมบูรณ์แล้วก็เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นเป็นรูปของชีวิตที่ปฏิบตัติตามหลักของสัตบุรุษหรือชีวิตของคนดีทั้งหลายเพราะชีวิตของบุคคลประเภทที่เรียกว่าสัตบุรุษนั้นก็คือบุคคลประเภทที่ทำประโยชน์ตนให้สมบูรณ์และประโยชน์บุคคลให้สมบูรณ์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์ อย่างที่เคยพูดมาแล้วว่าคนเราแม้จะมีมากมายยังไงก็เอาก็จริงแล้วก็คือเรากับคนอื่นหรือคนเรากับนอกจากเราแต่ว่าใครสามารถทำประโยชน์แก่ตนเองและคนที่นอกจากเราได้หรือคนอื่นได้ก็ชื่อว่าเป็นการถือเอาประโยชน์ทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นไปได้ค้อนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะเห็นได้ว่า ในสมัยพุทธกาลเองก็มีการกล่าวใส่ร้รายพระพุทธเจ้าอยู่เสมอคือบางทีมันก็เจตนาร้ายบางทีก็ไม่เข้าใจในตำนองที่เรียกว่าฟังไม่ได้สับแล้วก็จะไปกลเดียดบางทีก็ไปตัดตอนเอาอะไรสักอย่างหนึ่งคือเรียกว่าฟังไปไ ม, ไม่หมดแล้วก็ไปตัดตอนเอาในที่สุดมันก็สร้างเป็นเงื่อนไขต่างๆขึ้นมาได้ อย่างยกตัวอย่างที่เขาใช้กันในหนังสือพระไตรปิฎกสมรับชาวคริสที่มีการแต่งเผยแพร่กันมันมีคำที่สำคัญอยู่คำหนึ่งแล้วเขาตัดออกทรงใช้คำว่าอีเทวาอีเทวาก็คือในพระศาสนานี้เท่านั้นเอวะในแปลว่าเท่านั้น เ, เป็นการยืนยันก้อนนี้พระพุทธเจ้ารับสั่งไว้ในที่ต่างๆเป็นนั้นมาก แต่โดยเฉพาะก่อนจะนิพานก็รับสั่งเอาไว้คือท่านสุภัทะปริพาชกท่านเข้ามากราบทูลถามแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้ า, าจวนจะนิพานอยู่เต็มชีดแล้วท่านก็ถามว่าบุคคลทั้งหลายที่ประกาศตัวเป็นาศาสดาในโลกก็เริ่มนับมาเรื่อยเลยมันก็ตีวงไปใหญ่ตัวแต่เวลามันไม่พอพระพุทธเจ้าก็รับสั่งตัดประเด็นออกไปว่า ตั้งแต่พระองค์ได้ได้ออกบวชมาแล้วก็จดสรู้สั่งสอนธรรมะอยู่เป็นเวลาถึงสี่สิบห้าปีเนี่ยแล้วพระองค์ยังไม่เห็นพระอริยบุคคลแต่ว่าในพระสูตรนั้นใช้คำว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่งก็หมายว่าหมายความว่าเป็นพระโสดาบันพระสกิตาคาพระนาคาพระอระหันต์ว่าไม่มีในศาสนาอื่นและในที่สุดก็สรุปว่า ในศาสนาในดก็ตามที่มีอริยมรตมีองค์8ประการมีการศึกษามีการปฏิบัติชอบตามอริยมรตมีองค์แปประการอยู่ในศาสนานั้นก็มีพระเรียบุคคลทั้งสี่ประเภทนั้นแต่อริยมรตมีองค์8ประการก็มีอยู่ในศาสนาพุทธนี้เท่านั้นเพราะงั้นพระเริยบุคคลทั้งสี่ประเภทจึงมีอยู่ในศาสนาพุทธนี้เท่านั้นเหมือนกันพอตัดคําว่าเท่านั้นออก ประโยชมันก็ล้มทังประโยชน์แล้วก็กลายเป็นให้ใครเป็นพระโสดาพระสุกีตาคาพระอาราหันต์ก็ได้นี่เป็นความจงใจเป็นความตั้งใจที่จะบิดเบือนเรื่องเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองแต่บางคนเป็นเรื่องของการฟังมาจับประเด็นไม่ได้และไม่รู้ท่องแท้ว่าอะไรเป็นอะไรหือไม่เข้าใจเนื้อหาสาระเหล่านั้น ก็ไปพูดไปแส ด, แดงกันเมื่อมีปัญหาชนนี้เกิดขึ้นถ้าพระสงฆ์ท่านรู้ท่านก็ต้องชี้แจงถ้าพระพุทธเจ้าทรงรู้หรือคนมากราบทูลถามพระพเจ้าก็ต้องชี้แจงอย่างในกรณีที่ท่านคามณิยกขึ้นมากราบทูลถามนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการเข้าใจผิด ในกระบวนการสอนของพระพุทธเจ้าโดยไปคิดว่าพระพุทธเจ้านั้นกล่าวตำหนินชีวิตแบบชาวบ้านเรากล่าวตำหนิการทรมานตัวด้วยประการต่างๆของคนในสมัยนั้นสมรับทุกฐานะแล้วก็ยกย่องการอยู่ในลักษณะที่เศร้าหมองปอนปอนหรือมอมก็ปอนออปอนหมาย มันไม่ถึงกับมอมแมมหรอกคือปอนปอนก็เรียกว่าเรียบง่ายเช่นว่ามีผ้าก็ไม่หรูหราไม่ฉูดฉาดไม่แสดงความอวดมั่งวดมีอะไรซึ่งถ้าหากว่ามองอีกชั้นหนึ่งมันก็ใช่แต่เราต้องอย่าลืมนะฮะว่าพระพุทธเจ้าใช้คำว่าปปญเตนะเสวิตภาคือบัพปิชิตไม่ควรเสพผู้เฉพาะพระเท่านั้นผู้เฉพาะพระ แล้วก็เน้นไปที่การปฏิบัติพวกทุกขกระกรุยาทรมานตนของนักบวชในสมัยนั้นเว่าการอดอาหารการยั่งตัวบรหลุมทานเพลิงหรือการยืนขาดเดียวการทรมานตัววิธีการต่างๆเนี่ยเฮยทรงให้เหตุผลว่ามันก่อให้เกิดความทุกข์แล้วก็ไม่ใช่เป็นการกระทำที่พระอริยเจ้ายกย่องสรรเสริญหรือว่าพระอริยเจ้าท่านกระทากระทาไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ เรือนัทธสันทิโตไม่เกิดประโยชน์พระอะไรเพราะวัตถุประสงค์ในการกระทำอะไรของคนเราก็ตามเราก็มุ่งไปที่ประโยชน์ถ้าไม่ได้ประโยชน์เราก็ไม่ทำการกำหนดว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นั้นก็ดูที่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้นถ้าอำนวยความสุขให้ก็ถือว่าสิ่งนั้นให้ประโยชน์ถ้าไม่อานวยความสุขให้ก็ถือว่าไม่ได้ประโยชน์ แต่นั้นในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับาศาสนาของเราทุกเรื่องท่า น, นหลายลองสังเกตไม่ว่าผ้าป่าแกถิ่นถวายสังเะทานหรือว่าทำบุญแกคนตายก็ตามอะไรแต่ไรนี่มันแสดงให้เห็นเจตนาของเราชัดเจนลงไปเลยเราจะลงด้วยคำว่าอัมหากังดีขรตังฮิตายะสุขายะอย่างนั้นทุกที คือเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอีต่อแต่นั้นก็แล้วแต่จะขยายออกไปแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นหรือระบุชื่อคนอะไรก็ว่าไปแต่สรุปว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆนั้นก็คือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขหมายความว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นมันไม่แน่เสมอไปคือบางอย่างไม่เกื้อกูลแก่เราบางอย่างเกื้อกูลแก่เราอย่างตำหรับตําราวิชาความรู้ต่างๆนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใคร จะเป็นคนเรียนในเรื่องหลักนั้นตำรานดีเหลือเกินแต่พอดีเด็กอนุบาลต่นนั้นเดกมันก็ไม่เกิดกูลเมื่อไม่เกิดกุลมันก็ไม่อำนวยความสุขให้เมื่อตั้งแต่เมื่อวานนะฮะกรงมิชาการก็ส่งหนังสือมาให้ตรวจเรื่องหลักสูตรศีลธรรมใช้คำว่าพระพุทธศาสนาก็น่าดีใจนะฮะน่าดีใจว่ากรมมิชาการเองก็ตื่นตัวขึ้น จะนำเอาหลักสูตรพระพุทธศาสนาเข้าไปสอนในชั้นเรียนามาก็เป็นกรรมการจวดกับเป็นกรรมการที่ปรึกษาแต่พอสวจแล้วปวดวปหัวเลยเพราะอะไรเพราะว่าท่านผู้เขียนนั้นนึกว่าเด็กจะเป็นพระอระหันต์คือตั้งใจจะสอนเด็กให้เป็นพระอระหันต์จะให้ได้แล้วเราดูวัยของเด็กคือเด็กมอนหนึ่งไอ้เด็กมอนหนึ่งอายุจกเท่าไหร่ยังมากก็สิบส เด็กมหนึ่งแต่สอนธรรมะเหล่านั้นามาคิดว่าขนาดมสอห้าก็ยังไม่เคยไหวสวดแล้วก็ขีดไปบันทึกไปบอกไม่ไหวนวตายแน่เลยเนี่ยมันเหมือนอะไรนะฮะมันเหมือนกับเอาเอแพะไปลากเกวียนมันมีแต่ตายกับตายแต่นั้นเองจะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานี่เราจะเห็นว่าตัวธรรมะนั้นดีวิเศษเหลือเกินแต่ธรรมะเหล่านี้เขาไม่สอนกันระดับนี้หรอก มันสอนอีกระดับหนึ่งพูดถึงเรื่องไตรลักษณ์พูดถึงเรื่องอนัตตากะเด็กมอลหนึ่งอ่ะโยร์นักดูว่าเด็กมอลหนึ่งไงอายุเนี่ยยางมากก็่าบสองอ่ะขนาดอายุสิบสองปีนะให้เรียนถึงอนัตตาอันนี้จังทุกขงังเรียนอริยสัจสีเรียนเรื่องญาณ น, นั่นก็จบเนื้อในที่สุดเด็กของเราก็ไม่ทราบซึ้งในศาสนาอยู่เหมือนเดิม ที่จริงเขาตั้งเป็นกรรมาการปรึกษาดันที่จริงมันน่าจะปรึกษาตั้งแต่ตอนหลักสูตรคือวางหลักสูตรยังไงมันน่าจะปรึกษากันก่อนมาปรึกษาตอนให้ตรวจเลยไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันก็เห็นจะต้องบันทึกหน้าไปคือมุ่งแสดงภูมิตัวเองอะมุ่งแสดงว่าฉันเก่งฉันรอบรู้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่เน้นว่าเวลาเนี้ยเราจะป้อนอาหารลูกเล็กๆของเราเนี้ยให้แกกินได้ คำต้องไม่โตเกินไปและแกเคี้ยวได้และแกย่อยได้ไม่ใช่ว่าเอาคำเบืรอล่มจับยัดปากเข้าไปพอดีลูกก็ตายพอดีนี่ระบบการเรียนการศึกษาเนี่ยบางทีมันก็เป็นปัญหาที่ว่าเนื้อหาวิชานั้นเด็กไม่สามารถรับได้แล้วเราก็ไปโทษเด็กว่างโง่ว่าเขาเราไม่นึกถึงไอ้ขีดความสามารถความพร้อมอะไรต่ อ, อไรของเด็กที่จะเรียนเรื่องของธรรมะอย่าลืมเราต้องตัดตอนให้ถูกนะฮะว่า อะไรที่เป็นเรื่องของชีวิตของชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะจะไม่บินขึ้นไปสูงหรอกแต่ถ้าหากว่าเรื่องของสูงก็คือสูงอย่าเอามาปนกันไม่ใช่ว่าเอออันนี้อัตตหิอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนไอ้นูบอกว่ารูปปังปิกเวนัตตารูปเป็นนัน ต, ตาเอาละจีทําไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันพูดกันคนละเรื่องไอเรื่องเดิมมันพูดแบบรูปแบบของชีวิต ที่เราจะต้องมีของเรามีเป็นเรามีตัวมีตนของเรามีญาติพี่น้องของเรามีชาติบ้านเมืองของเราชั้นของชีวิตก็คือต้องต้องมีความรู้สึกกว่าของเราถ้าใครไม่มีความรู้สึกกว่าของเราเราดูง่ายๆตัวอย่างเนี่ยรัฐวิสาหกิจกับบริษัททําไมเจริญแตกต่างกันเพราะรัฐวิสาหกิจนั้นไม่มีใครรู้สึกว่าของเรามีแต่คนรู้สึกกว่าของหลวงใครมีโอกาสตักตวงก็รีบตักตวงเอาแต่บริษัทนั้นมันมีคนรู้สึกกว่าของเรา เมื่อของเราเราต้องรับผิดชอบเราต้องทะนุถนอมเราต้องเอาใจใส่เราต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี่คือเรื่องของชีวิตเรื่องชีวิตที่จะต้องรับผิดชอบตามสมควรแก่ฐานะแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องของพัฒนาการทางจิตอย่าลืมว่าใจรักพระพุทธเจ้าสอนคราวแรกสอนพระโสดาบันนะฮะสอนพระโสดาบันเทศกันแรกก็พระบัญญวัคคีย์ตั้งเป็นพระโสดาบันแล้วตอนใหม่ๆยังไม่สอนเลยนะ เป็นนธรรมะระดับกรรมฐานระดับจิตศิกขาบันไดขั้นที่สองของการบำเพ็ญเพียรแล้วทีนี้ในในเรื่องนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าใช้คำชัดเจนเลยว่าบัพชิศตไม่ควรเสพชาวบ้านก็ไม่ได้่าอะไรก็มีครอบมีครัวมีลูกมีเต้าก็ธรรมดาสามัญอะเป็นการมังคุนทั้งหลายได้ไงพป็รกกามังคุนมันก็หมดก็มันก็ออกอย่างนอกบ้านไปแต่ว่า ต้องสอนในชั้นให้รู้เท่าทันต่อเรื่องเหล่านั้นให้มีการปฏิบัติตามฐานะตามหน้าที่ของตนยมวัวมองหมกมุ่นในเรื่องเหล่านั้นมีเหตุมีผลในการที่จะแยกให้ได้ว่าอะไรทางเสื่อมอะไรทางเจริญนี่คือเรื่องกับชาวบ้านแต่ถ้าหากว่าชาวบ้านปรารถนาที่จะพัฒนาจิตสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องรู้ว่า น, นี้เป็นอีกเรื่องชั้นหนึ่งดังนั้นพวกการทำตัวให้มัวมองหมกมุ่นอยู่ในการ ที่ทรงแสดงอนิสแสดงให้เห็นว่าเป็นของตา่าเป็นของชาวบ้านเป็นของผู้ครองเรือนเป็นของคนที่มีกิเลสเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เออไม่ไม่ใช่เป็นของพระอริยะก็ไม่มีประโยชน์ซึ่งก็หมายความว่าถ้าบัพปชิตยังเป็นอย่างนั้นก็ไปไม่ได้เหมือนกันแต่ชาวบ้านสามารถจะจปรับใช้ให้เกิดประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ในออการดำรงชีวิต อย่างชาวบ้านก็คือแนวชาวบ้านที่ทรงแสดงไว้ในช่วงหลังจึงจะเห็นได้ว่าว่าทํำยังไงเนี่ยจึงจะเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบทอําในทางที่ชอบทําให้ได้แล้วทรงจําแนกรูปของชีวิตเอาไว้ที่เห็นได้ชัดเลยว่าบุคคลประเภทแรกที่กลุ่มสามคนแรกเนี่ยมันคือกลุ่มประเภทดอกบัวใต้น้ําอะกลุ่มดอกบัวใต้น้ําก็ดอกบัวที่จะอยู่โคลนตม อย่างชุดแรกนั้นหากินก็ไม่ชอบทำแล้วก็พลุนผลันผีพลับหามาแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงดูตัวเองให้เป็นสุขไม่กระทําความดีด้วยการทําบุญให้ทานไม่เอาไหนเย่ยไม่เอาทั้งอาวทั้งแหลมทั้งขี้ท้าไม่เอาอะไรหมดมล้วก็เป็นชีวิตมันมีนะชีวิตแบบเนี้ยมีเยอะไปในบ้านในเมืองเรามันไม่เอาอะไรเลยค น, คนทั้งคนทั้งคนเนี่ยครับวันก่อนมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านมาเล่าให้ฟัง อ้าวามันก็จริงแล้วปัจจุบันนี้เขาเล่าเยอะแกันเมื่อเช้าก็มีคนมาเล่าให้ฟังอีกวันก่อนนีนเล่าถึงหลานเมื่อเช้านี้มาเล่าถึงน้องบอกว่าหลานชายคนหนึ่งท่านผู้นี้อายุต้องหกสิบกว่าต้องเลี้ยงเลี้ยงหลานหลานหลานหลานเขปัญญานะฮะมันนอนเอกเนกนะลุงหุงข้าวให้กินหุงข้าวให้กินแล้วแกกินเสร็จแล้วจานแกก็ไม่ล้าง นอนใช้เอาลุงก็ล้างจานให้เอาซักผ้าให้เสร็จแล้วไปทะเละาะกันลุงก็ต้องวิ่งปนี้ปนอมต่อมาก็ไปติดเทโรอินโอ้แกบอกว่าแกจะแย่แล้วอายุต้องหกสิบสี่หสิ้าแล้ววิ่งอยู่กัเด็กคนนี้ยก็มาจะมาย้ายจะมาย้ายไปอยู่ที่อื่นตอนนี้พอดีหลานชายที่รักหลานชายวันเกิดเกล้านะเเรียกหลานวันเกิดเกล้าองลูกวันเกิดเกล้าเยอะเออวกำลังไปอยู่ในคุก ก็คิดจะหลบไปอยู่ที่เชียงใหม่แกก็ชักเสียวเสียวจงกันว่าเมื่อแกออกจากพวกคงตามล่าไปถึงเชียงใหม่นี่มันก็มีนะฮะคนประเภทนี้พระเจ้าก็สะท้อนภาพของชีวิตถ้าเห็นไอ้ภาพชีวิตแนงเนี่ยมันมันมันมันเป็นขยะสังคมอะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแบบชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาและอีกช่วงที่สองที่เราจะเห็นว่าการชีวิตในทางที่ไม่ชอบทำแล้วก็ผลผลันซึ่งแน่นอนก็ผิดเยอะ แต่ยังไงมันก็เอามากินอ่ะมันก็ดีอย่างคือท่านมองโลกเก่งเด็กวัดที่เก็บอาหารเอาไว้อตอนเย็นก็เพื่อนไปแอบขโมยกินหมดเขากม็มาฟ้องหลวงพ่อหลวงพ่อมันทําขโมยไปไห น, นขโมยไปกินไอเด็กมันหิวนะเด็กมันหิวมันก็ขโมยกินท่านไม่ว่าอะไรฮะเพราะยังไงยังไงเนี่ยมันก็คงจะหิว แต่ในส่วนขโมยมันก็ผิดนะแต่ส่วนกินมันก็แสดงว่ามันก็ต้องการแต่ความคิดอย่างนั้นเอามาใช้ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันยังไงก็คนก็ต้องอยู่ร่วมกันเด็กวัดเนี่ยแกก็ต้องกินด้วยกันในเพื่อนขโมยกินไดหมดแล้ยคนข้างหลังมันก็หิวแย่แต่ในชุดนี้เราจะเห็นว่ายังไงยังไงเนี่ยแกก็เอามากินแต่ว่าไม่กระทําบุญไม่ให้ทานมันก็ตําหนิในสองช่วง พอถึงชุดที่สามยังไงมันก็พอดีขึ้นหน่อยแหละคือถึงแม้จะหากินในทางที่ไม่ชอบทมแล้วก็ผุนผานแต่ก็เลี้ยงตัวเองทำบุญให้ทานมันก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับยายแฟงเหมือนกับยายแฟงที่สร้างวัดคานิกาผลที่สมพันธ์ลดคามตายเมื่อกี่วันนีตอนเกิดฉลองวัดนิมนต์สมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โต ไปเป็นประธานสง์ในพิธีฉลองอแกก็มาเรียนถามว่าดิฉันสร้างวาดัดทําบุญอย่างเงี้ยจะได้อา น, นิสงฆ์มากไหมเจ้าค่ะสมเด็จท่านบอกว่าได้อา น, นิสงฆ์สลึงเฟืองอยายแฟงโกรธใหญ่เลยทําไมได้อา น, นิสงฆ์สลึงเฟืองเพราะว่าเงินเหล่านั้นน่ยเป็นคื อ, อยากแฟงนี่เป็นแม่ลาวนะฮะเพราะงั้นเงินน่ยมันได้มาในทางที่ไม่ชอบทำปูนพรานมันก็ควรตําหนิสองอย่างปัจจัยไม่บริสุทธิ์ สมเด็จท่านก็บอกว่าได้สลึงเฟืองมั้นก็ดีที่ว่าเอามาทําบุญบ้างนะฮะเพราะบุญมันก็ได้แต่เนื่องจากปัจจัยไม่ไม่บริสุทธิ์อย่างที่เคยกล่าวมาว่าทานที่สมบูรณ์เราถือว่าสมบูรณ์จริงๆนะฮะแต่บุญจริงๆชั้นในชีวิตของเราที่เราพอจะหาได้เนี่ยหมายความว่าปัจจัยคือสิ่งที่เราได้มาให้ทานจะต้องได้มาในทางที่ชอบธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรม แล้วก็บุคคลที่รับบุคคลผู้รับจะต้องเป็นผู้มีศีลมีกัญญาณธรรมเจตนาของเราเองมีเจตนาดีก่อนจะให้ก็ให้ด้วยความเสียตละจริงๆด้วยด้วยความรู้สึกที่มองเห็นประโยชน์นะสนวนสมัยก่อนอที่ใช้ท่านใช้ชั้นปรีท่านบอกว่าการให้ทานเป็นการดีแล้วให้การให้ทานเป็นการดีแล้วให้ รักษาศีลเป็นการดีรักษาการพบพระพุทธเจ้าเป็นการดีแล้วก็ไปเฝ้าคือไม่ไม่ไม่ได้ยุ่งอารมณตรงนั่งมีหนังสือพิมพ์ไปทําข่าวหรือเปล่าอะไรต่วใดไม่ต้องไปถามอะไรโทรทัศน์ไปทำออกข่าวหรือเปล่าไม่ไม่ต้องไปติดใจในประเด็นเหล่านั้นคือตัดสินใจก่อนจะให้ขณะให้หลังให้ก็ดีก็ถือว่าฐานชั้นนี้มันก็มีผลมีอานิสงส์แต่ของอยาคกแฟงนี่แก่แย่ตอนที่ของได้มาจากเลือดเนือ้อของคนอื่น สมเด็จท่านจึงว่าได้เสลึงเฟื้องแต่ก็ยังดีนะฮะก็ได้บุญอยู่ทีนี้ในชุดที่สมนั้นเราจะชุดที่สองเราจะเห็นว่ารูปชีวิตมันก็รุ่มอดอนๆลักษณะของผีข้าวผีออกอะไอะ้ดีมันก็ดีแบบศรัทธาหัวเต่าก็เรียนศรัทธาหัวเต่ามันก็ปรโปรโปปคือบางทีมันก็ศรัทธาดีถ้าเกินหมาตั้งมัน่นเดินหน้าเต็มตัวจนถึงนั่งสมาธิเลยบางทีมันก็หายจ ọng ไปเลยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนอยู่ตามวิทย์ตามโรงอะไร ตามสถานที่เรื่นรมต่างๆมันก็ไปหายไปเป็นเป็นลักษณะขึ้นลงคือยังแป่งไปตามไอ้ปัจจัยต่างๆแต่พวกเหล่านี้มันก็เลือกดีเองเขาได้ฮะก็หยิบมาแต่ละจุดไอ้จุดไหนที่เขาดีเราก็หยิบขึ้นมาเอาเฉพาะดีกันอางในกรณีที่แกหา ก, กินในทางผุนพรันในทางไม่ชอบทำผุนพรันไม่เลี้ยงตัวเองไม่เลี้ยงบุคคลอื่นไม่เลี้ยงตัวเองไม่เลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ไม่ทําบุญให้ทานยังไงบางช่วงที่แก ที่แกเป็นธรรมแกแกไม่ผุนผันเราก็ยกย่องแก่ได้ตอนช่วงนั้นเรียกว่าอย่างน้อยก็ดีสักหนึ่งในกรณีที่ช่วงคือเราพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งเป็นช่วงนะฮะคือเอาก็เป็นช่วงเลยวันนี้แกดีพรุ่งนี้แกไม่ดีเราพูดเฉพาะวันนี้อ่าวันนี้แกดีพรุ่งนี้แกไม่ดีเอาก็ตัดตอนกันจะทําให้เรามองโลกมองชีวิตในแง่ที่ที่เราเข้าใจกันได้ ว่าคนเรายังไงยังไงจะเกณฑ์ให้ดีร้อยเปอร์เซน่ะคงไม่ได้หรอกมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเอาเฉพาะส่วนที่ดีมาว่ากันมาหาความเข้าใจกันมาเป็นมิตรกันส่วนที่ไม่ดีก็ตำหนิกันไปเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นตามที่แกจะทำได้ทีนี้ในช่วงที่สองในในกรณีที่แกผุนผนันแกหา ก, กินในทางไม่ชอบทาด้วย ไม่ชอบทําบ้างชอบทําบ้างผลผลันบ้างไม่ผลผลันบ้างแต่ก็นํามาเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขเออเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขแต่ไม่ทําบุญให้ฐานเพราะงั้นเราก็เลือกเอามาได้สองช่วงเวลาจะยกย่องคือถ้าช่วงไหนที่แกหากินในทางที่ชอบทําให้ผลผลันแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองช่วงนี้ก็ยกย่องกันได้แต่ช่วงใดที่แกไม่ชอบทําด้วยผลผลันด้วยเราก็ถือว่า ก็ยกย่องอะไรได้อย่างหนในฐานะที่เลี้ยงดูตัวเองชุดที่สมนั้นพวกที่สามในชุดสองเราจะเห็นว่าหากินโดยผุนผันบ้างไม่ผุนผันบ้างแต่เลี้ยงดูตัวเองครอบครัวให้เป็นสุขแล้วก็ทําบุญให้ฐานไอ้สองช่วงหลังนั้นแน่นอนยกย่องได้แต่ช่วงบนมันก็ว่ากันเป็นกรณีกณีกไปคือในกรณีที่แก่หากินในทางที่ชอบธรำก็ยกย่อง ไม่ชอบถามก็ทำนี้แต่ว่าช่วงที่สองก็ยังไงก็ยังดีแกนะครับก็ยกย่องกันได้ช่วงที่สมนั้นที่จริงมันก็เป็นพัฒนาการทางชีวิตแบบชาวบ้านหรือผู้ครองเรือนท่านทั้งหลายจะเห็นว่ า, อาดอกบัวสีเหลาถ้าเราลองจัดเป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกสม็ดรูปมันจะได้เป็น3มชุดเป็นสมชุดชุดแรกจะถือว่าชุดพื้นฐานจริงๆพูดถึงทิฏฐธรรมิกะตะประโยชน์สี่ข้อ คือคนบางคนก็ไม่เอาอะไรเลยดังกล่าวแล้วมันก็คือดอกบัวไอ้ที่จะเป็นอาหารของปลาปูเต่าอะไรแต่ว่าคนบางคนสามารถตั้งตัวเป็นหลักฐานได้มันก็กลายเป็นบุคคลประเภทดอกบัวคลน้ําสําหรับชีวิตเรียกว่าประโยชน์ปัจจุบันต่อไปก็ชุดชุดสีเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในประโยชน์ภายหน้าที่เราเรียกว่าสัมปรา ย, ยกัะประโยชน์คือภายหน้ามีศรัทธามีศีลมีจากขะมีปัญญาก็ตามสัดส่วนกันแต่ละคน บางคนมีได้มากมีได้น้อยมีได้สมบูรณ์ก็ทำมีมีได้สมบูรณ์ที่เรียกว่าสัมปทาคือสมบูรณ์มันก็ถือว่าเป็นดอกบัวประเภทพ น, น้ำสำหรับชุดนี้ชุดต่อไปเราก็จะพบว่าก็คือชุดที่กลายเป็นพระรยะบุคคลสี่ชั้นนี่ก็ทําให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะเป็นสี่ชุดเป็นสมชุดคือเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในแต่ละระดับ ดังนั้นเราจะเอาระดับของของพระมาเทียบเคียงกับชาวบ้านไนไม่ได้ระดับชาวบ้านจะเอาไปเทียบเคียงกับพระก็ไม่ได้เหมือนกันการตัดสินต้องตัดสินในชุดนั้นกันเลยในชุดของที่จะทําให้กระทประโยชน์แบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาก็เอาใจว่าสมบูรณ์แบบสมบูรณ์ก้อนชีวิตสมบในชั้นนี้ในในประศูนย์นี้ก็คือหากินได้มาในทางที่ชอบธรรมไม่ผลิ้นผลัน หาได้มาแล้วเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวให้เป็นสุขด้วยกระทำบุญให้ทานด้วยสมบูรณ์ละสมบูรณ์แบบชาวบ้านสามารถที่จะอํานวยประโยชน์ความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันและการทำบุญให้ทานไปก็กลายเป็นสเสบียงเลี้ยงตนไปในสัมปรายภพภายภาคหน้าได้แต่สำหรับชุดแรกในกลุ่มสาก็คือหากินในทางที่ชอบรมไม่ผลนผัต ท่านจะเห็นว่าตรงนี้ก็ยกย่องตรงนี้ก็ยกย่องแต่ได้มาแล้วเป็นปู่โสมข้าทรัพย์ปู่โสมข้าทรัพย์ไม่ทำบุญไม่ให้ทานเก็บสะสมเอาไว้มีคนที่อามาเพิ่งรู้นะฮะก็มีคนเขาเล่าให้ฟังตอนแกตายแล้วก็เมื่อก่อนเคยผ่านบ้านเขาแต่ก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเขาปรากฏว่าพอแกตายนี่รวยจังเลยเงินอยู่ในธนาคารหลายสิบล้านนะ แต่บ้านในแกซอมซ่ออะแต่งตัวปอนปอนนั่งสามล้อก็ไม่กล้านั่งเดินท่ำท่ำแล้วก็ไปถามว่าเอ๊ะทาไมลุงคนนี้แกรวยจังแล้วเขาก็เล่าให้ฟังก็บอกโอ้ยขี้เหนียะอย่าบอกใครได้ขี้เหนียจังคณาแกปลูกไอ้อะไรเนี่ยฝรัง่งอะไรฝรัง่งอ่ะฝรั่งเต็มชมพู่ชมพู่ชมพู่เนี่ยพอชมพู่หล่นเนี่ยก็มีเด็กข้างบ้านเนี่ยมาเก็บ แกไปยืนต้องคอให้เก็บครบอะเก็บครบสี่ลูกบาทพอเก็บครบสี่ลูกแกคิดบาทพอเก็บครบสี่ลูกแกคิดบาททั้งๆที่ททว่าแกเองก็ไม่ได้กินนะฮะไม่ได้กินอันนี้ยอดเยี่ยมเลยเกินแล้วสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้นะโยนใจไ ป, ปเผอเถิดไม่ทําบุญไม่ทานอะไรแต่ใดได้แต่นี้ไม่ใช่ประเภทชอบทำนะฮะเพราะ บ, บางอย่างปรากฏว่าไม่ชอบทํำมันเป็นชุดเป็นชุดที่สองเป็นชุดที่สอง สมัครคนที่หามาได้ในทางที่ชอบทำมันก็มีนะบางคนก็จะหนีหวงทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่ใช้ประโยชน์อะไรแก่ทรัพย์สมบัติยังไงยังไงอาชีพแกก็เป็นทมาอาชีพพระเจ้าก็ยกย่องในจุดนี้ยกย่องในจุดนี้ส่วนชุดที่สองในกลุ่มสาคือหากินในทางที่ชอบทำไม่ผุนผานเลี้ยงดูตัวเองก็ดีนะัะ เอาหน่วประโยชน์สุขในปัจจุบันแต่ชื่อว่าไม่รับผิดชอบอนาคตไม่รับผิดชอบต่อโลกหน้าเพราะในแง่ของชีวิตหรือแง่ของสังสารวัตรนั้นคนเราจะต้องรับผิดชอบต่อโลกหน้าด้วยอย่างที่พระพุทธเจ้าได้แสดงแก่พรามแก่คนหนึ่งท่านแก่มากแล้วก็รับสั่งว่าพรามณเบลานี้นะเธอท่านเนี่ยมันเหมือนกับใบไม้เหลืองที่กําลังจะหล่นจากขั้วแต่ว่าสเบียงคือกุศลที่จะ เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของท่านนั้นยังไม่มีเพราะงั้นก็ให้รีบให้รีบสะสมะเสบียงคือกุศลเอาไว้เพื่อเป็นเกาะเป็นที่พึ่งในภายภาคหน้าท่านเรียกว่า เ, เป็นสิ่งที่จะตามรักษาคุ้มครองตนติดตามตนเราไปที่เรียกว่าอะไรอนุปายิ น, นีคือติดตามเราไปเหมือนกับเงาเหมือนกับเงาที่ติดตามเราไปฉะนั้น ดังนั้นเอชุดที่สองในกลุ่มสในชีวิตปัจจุบันไม่มีปัญหาอะไรนคคนประเภทนี้ก็ยกย่องเขาได้นับถือเขาได้แต่ก็น่าสงสารที่ว่ารวบรวมทรัพย์สมบัติเอาไว้มากแต่ก็มุ่งจะหาประโยชน์สุขเฉพาะในปัจจุบันไม่คิดถึงภายหน้ากลุ่มที่3จึงถือว่ากลุ่มสมบูรณ์ที่สุดทังนนทั้งหลายจะเห็นว่าอั น, นีมันก็อะไรมันก็แสวงหาวัตถุกามอะ แสวงว่าหาวัตถุกรรมถ้าเราไปเทียบในชุดแรกที่พระพุทธเจ้ารับสั่งถึงการมันสุขานิการนารนยกมันก็เทียบกันไม่ได้เพราะว่าเป็นการแสดงธรรมะแก่คนคนเราพวกกันชุดแรกนั้นพูดกับนักบวชไอ้ชุดที่นี้มันพูดแบบชาวบ้านคนกว่าจะรวได้มันก็หาวัตถุกรรมนั้นหาทรัพย์สินเงินทองมันก็เปิบเป็นพวกวัตถุกรรมทั้งนั้นแต่เป็นการสร้างความสุขในชีวิตของการคลองเรือด น, นี้ก็เป็น เป็นเรื่องพัฒนาการทางทางจิตใจนะฮะทางชีวิตของบุคคลที่เดินไปเรื่อยๆแต่ที่ที่จริงพระสูตรนั้นยังไม่จบในตอนนี้มันยังมีอีกตอนหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งจะจะกล่าวในวันต่อไปแต่ประเด็นที่ให้พึงสังเกตเอาไว้ในกรณีนี้ก็คือว่าคนที่ตัดสินอะไรต่างๆส่วนมากแล้วมันจะมองกันแบบเหมาโหล อันตรายมากเลยฮะตัดสินแบบเหมาโหลนี่อันตรายมากยกตัวอย่างเช่นมีพระกระทำไม่ดี่าติมาเคยเคยเล่าให้ฟังนานแล้วว่าตอนตอนนั้นมามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆเดินในบินฑบาอแถวที่บางขุนพรหมเนี่ยมีข่าวหนังสือพิมพ์ว่าตำรวจเขาจับพระได้ว่าอยู่ในห้องกับผู้หญิง แต่ว่าสืบข่าวที่หลังว่าผู้หญิงวิ่งหนีโจร น, นะฮะวิ่งเข้าไปในห้องพระก็แล้วก็เดินคนกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่พอดีเดินผ่านหน้าวัดสามัญญาเลยวัดสามัญยาไปหน่อยรังกันลั่นปุ้ยพระเดี๋ยวนี้คบไม่ได้ใช้ไม่ได้ไหว้ไม่ลงก็ตรงนั้นพอดีมันเสียหลังวู้บรือแม่มันเล่นกันอย่างนี้จะเลยใช้คําว่าพระเดี๋ยวนี้นะฮะโยมจะเห็นว่ามันหมดทั่วโลกเลยหมดทั่วโลกเลยไม่เว้น ไ, วไม่ให้ใครสักคนหนึ่งเลยฮใจคอนี่เหลือเกิน นี่คืออะไรคือเหมาหล ก, กันเลยเหมาหล ก, กันเลยไม่ได้แยกแยะอะไรเลยนี่เป็นคนนะอดีตยิ่งก็แยกเป็นคนแล้วก็มันรู้จักชื่อเสียงเรียงนามอยู่ที่อยู่ด้วยมันน่าจะพูดกันกเฉพาะคนนั้นนะกวาดเรียบยไม่เหลือเลยพระเดี๋ยวนี้มันก็หมดนะฮะที่อยู่ที่ไหนๆมันก็ไม่เหลือไปเลยนี่คือการมองแบบเหมาหล ก, กันเป็นอะไรนะมันเป็นโมหะกติบ้างคือไม่เข้าใจเหตุผลบ้างเป็นชั้นทาคติบ้าง เป็นโทษาคติบ้างก็เรียกว่าอาคติทั้งหมดไม่ลุกไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งเป็นการมองในลักษณะชี้เหมาโลมันผิดกระแสของพระพุทธเจา้าในพระพุทธเจ้าท่านตัดตอนไหนคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แต่ตอนตอนดีก็ยกย่องตอนไม่ดีก็ตัณน์ตัณฑ์กันเป็นตอนตอนกันไปยกย่องก็เป็นตอนตอนกันไปแล้วไม่ไปมุ่งหวังอะไรว่าจะต้องเป็นอย่างที่เราต้องการจะให้เป็น ยังในที่ประชุมบางแห่งเคยสังเกตว่าประทีชาวบ้านนั้นขาดเมตตาธรรมคือมองพระในลักษณะช่กะเกณฑ์คล้ายๆกับบวดปุ๊บแล้วก็เปิดปุ๊บติดปั๊บอะไรเนี่ยเห็นไมความพอบวชมาแล้วต้องสมบูรณ์จริงๆไงแล้วก็ชอบช้ากันเหลือเกินนะฮะสละแล้วด้วยประการทั้งปวงชาวบ้านเวลาพูดถึงพระนะพูดเราพูดสละแล้วด้วยประการทั้งปวงมันจริงหรือเปล่า บาที่คนที่พูดนั้นแล้วก็เคยบวชมาแล้วก็ศึกไปก็ไม่เห็นสละอะไรนะเป็นการบวชกันตามกฎเกณฑ์ตามประเพณีของคนไทยเราเท่านั้นเองแล้วพระเราได้บวชมาแนวนี้ตลอดะสมัยพระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันบางคนบวชเพราะเบื่อนายบางคนบวชเพระจําเป็นบางคนบวชปพราะจำใจบางคนบวชเพราะศรัทธาบางคนบวชเพราะต้องการจะคือคือคือว่าไม่มีคนเลี้ยงดูก็บวช แต่ว่าทีหลังท่านไปปรับแนวของท่านเองในนั้นพระยามิรินเคยถามพระนาคเกษถามพระนาคเกษว่าพระเราเนี่บวชเพราะอะไรพระนาคเกษ ม, มึงมีท่านก็จําแนกให้ฟังสี่ห้ายอย่างพระนัพญามิรินถามแล้วพระคุณเจ้าบวชเพราะอะไรไม่รู้ ก, ก, ก็ก็นึกว่าส ม, มณะเออสกากยะบุตรนี่คงจะบอกกล่าวอะไรให้ได้ก็เลยบวช แต่ว่าตอนบวชนั้นไม่ได้รู้อะไรเลยว่าบวชเพื่ออะไรก็ไม่รู้สมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่วัดเองนี่ก็เหมือนกันมีคนเ็าถามตอนท่านเป็นสังฆราชแล้วว่าฟาบาทบวชทำอะไรท่านบอกโอ๊ยกันไม่รู้ต้นชายลับมากันพูดกันไม่รู้ตอนนั้นกันยังเป็นเด็กก็บวชไปอย่างนั้นไอ้ศรัทธามันเกิดขึ้นมาทีหลังเนี่ย แบบเมืองไัยเราเราจะเห็นว่าเราบวชนั้นบางทีศรัทธามันเกิดขึ้นทีหลังเวลาเราไปศึกษาไปปฏิบัติข้าวไปค้นคว้าข้าวได้รับการอบรมแนะนําแล้วมันเกิดขึ้นมาทีหลังที่จะอยู่หรือจะไปจะเดินหน้าไปยังไงเนี่ยเราไปตัดสินใจทีหลังส่วนมากแล้วจะเป็นอย่างนั้นฮะส่วนที่บวช ด, ด้วยศรัทธาจริงๆนั้นมันก็มีน้อยเราเพราะว่าสังคมไทยมันเกณฑ์ให้ลูกผู้ชายคนทุกคนต้องบวชนี่นะปัญหาว่าไอ้แกบวชยังไงไม่จึงไม่ใช่ประเด็น ประเด็นว่าแกบวชมาแล้วแกทํำยังไงนั่นคือประเด็นทีนี้สมมุติว่าแกทําไม่ได้หรือมีส่วนบกพร่องอะไรไปก็ต้องนึกดูจะว่าชาวบ้านศินห้านี่ไหวหรือเปล่าก็พระมันก็ลูกชาวบ้านนี่นะพระมาตั้งรักษาทางสองรอยยี็ชาวบ้านศีลห้าเนี่ยห่างกันเยอะนะฮะที่จริงก็มือชั้นเดียวกันนะไม่ใช่มือคนละชั้นนะมือชั้นเดียวกันนะเพราะว่าพระก็คือชาวบ้านที่เข้ามาอยู่ในวัดทนั้นเอง ชาวบ้านก็คือชาวบ้านที่อยู่ที่อยู่นอกวัดมันก็เท่านั้นแต่ว่ามือชั้นเดียวกันป้าก็ไม่ได้จะคนพิเศษอะไรนักหนานะเพราะงั้นถ้าเรายอมรับนับถือกันได้เราก็เข้าใจแยกแยะขั้นตอนอย่างน้อยที่สุดก็จําแนกกันเป็นคนๆนนะจําแนกกันเป็นคนๆ ค, คือแต่ว่าดีว่าชั่วก็ว่ากัากนเป็นคนๆถ้าว่าดีจะให้เพื่อนคนอื่นก็ได้ไม่แปลกก็ได้แล้วแต่ถ้าชั่วมันก็ต้องขีดออกเป็นคนๆ ไม่ใจไปเหมาหลวเมาภาคเมาพวกอะไรต่างๆกันในที่บางแห่งนะฮะแบรนดก็เล่นถึงภาคไม่พอใจคนสักภาคหนึ่งแล้วขีดหัวไปเลยแล้วคนที่โดนขีดมากที่สุดให้ท่านลองสังเกตนะคนภาคใต้กับคนภาคอีสานโดนขีดมากที่สุดเลยในเมืองไทยภาคใต้กับภาคอีสานภาคกลางนี่เขามีบุญฮะถูกเพื่อนไม่ถูกแบ่งแยกหรอกภาคกลางกับภาคเหนือก็ยังชั่วหน่อยแต่ถ้าภาคใต้กับภาคอีสานแล้เพื่อนขีดด้วยเลย แล้วมักจะขีดหมดทั้งภาคทั้งๆที่ททประชากรเขาแยน่นะปากอีสานตั้งสิหจังหวัดเราไปขีดเขาไม่ใช่16หกจังหวัดติกว่าเลยเออนี่เราเราจะเห็นว่าอย่งการมองปัญหาอย่างมีอคติคือลาเอียงไม่ได้ใช้เหตุผลในการมองปัญหาเหล่านั้นถ้าเราอาศัยแนวของพระพุทธเจ้าคือว่ากันไปตามการณีกรณีไปนะ ตามกรรมฮะเรียกว่าตามกรรมคือตามการกระทําของเขาก็ทําให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นแยะเพราะเราจะมองอะไรใครได้ชัดเจนจึ่งขึ้นนะแม้แต่ว่าในขณะเนี้ยเรามีความรู้สึกขัดแย้งกับพวกคริสที่จริงคริสไม่ไม่ใช่กี่คนนะฮะที่ทำอย่างเงี้ยมันตัวหัวหน้าบริหารเท่านั้นเองพวกบาทหลวงก็ไม่ใช่สมัครใจทําทุกคนแต่ว่าก็เป็นเป็นพวกเขาที่ต้องรับผิดชอบเท่านั้น ส่วนชาวบ้านนั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรเท่าไราก็ไม่ได้มีความรู้สึกเป็นสัตโตอะไรมากมายนะแล้วก็ต้องแยกให้ออกไม่ใช่ว่าขีดผัวลงไปเลยคริสก็เป็นพวกใช้ไม่ได้หมดอย่างนี้มันมันมันเป็นแนวของอะไรล่ะเป็นแนวที่อคติมากเกินไปก็ทำนองที่ขีดคนอื่นให้เป็นพวกทรยศพวกซาตานะนะะมันก็เป็นเป็นแนวที่อคติมากเกินไป ในพระพุทธศาสนาต้องเป็นการณว์วสิโกคือต้องเอากันโดยเหตุโดยผลโดยแต่ละจุดทีนี้ประการ อ, กอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นอีกทีหนึ่งนะฮะที่จริงมันก็มียะที่มาเคยยกมาแล้วว่าเมื่อมีการบิดเบือนการใส่ใครการกล่าวหาที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่พระสงฆ์ชี้แจงนะครับพระพุทธเจ้าเองก็ต้องชี้แจงพระพุทธเจ้านั้นเป็นนักชี้แจงเป็นนักโต้ทีเดียวแหละ ไม่โตไม่ชี้แจงจะอยู่ได้อย่างไรในสะมัยนั้นเพื่อนไปใส่ร้ายอยู่เรื่อยเลยเพราะเราเกิดมาในท่ามกลางศ า, ศาสนาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเขาก็อยู่มาก่อนเรามาเกิดขึ้นในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมนั้นมีคนบิดเบือนมีคนใส่คล้ายเขาเรียกว่ากล่าวตู่ <c oughs> กล่าวตูนั้นคือเรื่องจริงมัเป็นอย่างหนึ่งแต่เราก็ไปกล่าวซะอีกอย่างหนึ่งฉะนี้ว่ากล่าวตู่พระพุทธเจ้ากล่าวตู่นี่บางอย่างแรงนะฮะเช่น ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอรมายังเป็นห่วงอยู่ในปัจจุบันธรรมะของอาจารย์นั้นของอาจารย์นี้ของอาจารย์โน้นบางทีอรมาก็ยังติดไปด้วยธรรมะขอเจ้าคุณดีบอกอยพูดอย่างนั้นเดี๋ยวขี้กรา ข, ขึ้นหัวธรรมาอรมาไม่มีหรอกมีของพระพุทธเจ้าอรมาไม่ใช่เจ้าเป็นเจ้าของธรรมะอะไรคือพระทุกรูปนั้นท่านไม่ใช่เป็นเจ้าธารรมะเราเราต้องเข้าใจไว้แต่พระเองท่านก็ไม่พูดนะฮะแต่ชาวบ้านไปพูดธรรมะอาจารย์มั่นธรรมะอาจารย์ฟัน่น ธรรมะหลวงพ่อวัดปากน้ําโอ้ยไม่ไหวหรอกนี่เป็นบาปเป็นกรรมอะธรรมะของพระพุทธเจ้าเออเจ้านั้นเป็นธรรมราชาเป็นเจ้าแห่งธรรมเป็นเจ้าแห่งธรรมไม่มีธรรมะของอาจารย์ไหนทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าพระเอกเกิดไปกล่าวตู่วันนี้เป็นธรรมะของผมไอ้นี่เป็นหมาโจรเลฮะเป็นหมาโจรในพระพุทธศาสนาเลยเรียกว่าเป็นพิษเป็นภัยต่อศาสนาอย่างแรงนี่พวกอุตริมนุษยธรรมอะ รู้เจ้าทรงแสดงหมหาโจรในห้าประเภทหมหาโจรประเภทที่ห้านั้นก็คือพวกขโมยธรรมเรียนธรรมศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้วก็ไปโมเมว่าของฉันบางทีนี่ก็น่ากลัวนะามาเคยอ่านหนังสือบางฉบับเราก็เห็นนะนี่มันมาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนสูตรไหนเราก็รู้อยู่นะคําของหลวงพ่อ น, นั้นหลวงพ่อ น, นี้ยกมาเรียบร้อยตายเลยไม่ได้นะฮะในหนังสือนั้นให้ลองสังเกตว่าพุทธศาสนาสุภาษิต ญาติโยมทั้งหลายอาจจะไม่เคยอ่านต้องอ่านพุทธศาสนาสุภาษิตนี่แนวของพุทธเรานั้นคือหมายความอะไรของใครมาจากไหนเราต้องบอกไว้เสร็จไม่ใช่ว่าไปอันนี้เป็นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไปบอกของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นของฤาษีไปบอกของพระพุทธเจ้าไม่ได้ของใครของคนนั้นเลยเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดท่านแสดงนั้นท่านต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านพูดพระพุทธเจ้านํามาแสดงแก่บุคคลทั้งหลาย ในด้านของเหตุผลเป็นข้อเท็จจริงระดับหนึ่งพระองค์ก็รับผิดชอบในจุดนั้นแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็รับผิดชอบในสิทธิในความคิดในภูมิปัญญาของท่านเหล่านั้นด้วยไม่ใช่ว่าเอามาเป็นของพระองค์บอกไว้เสร็จเลยคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้คนน้อนว่าอย่างนั้นนี่ก็คือการยกย่องเขาตามสมควรแก่แก่ฐานะที่เขาเป็นทีนี้ถ้าหากว่าเราไปไปกล่าวตู่ นะเรื่องไม่เป็นจริงไปกล่าวตู่พระนี่ผิดแรงพระนี่ผิดแรงมากเรียว่ากล่าวตู่ธรรมะของพุทธเจ้าคือคัดค้านนะครัคัดค้านพระธรรมเทศนาของพุทธเจ้าพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างหนึ่งเราเกิดไปว่าทะอย่างหนึ่งนี้ถือว่าเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงและถือว่าเป็นบาปทําทไมเป็นบาปเพราะเราเองมันก็ถูกโมหะก็ไม่แน่นะฮะบางทีก็อาจจะเกิดโลภะหรืออาจจะเกิดโทสะก็ได้แต่ก็โมหะนี่เป็นเรือนใจเลย พอเราแสดงออกไปเนี่ยเราไม่ได้จัดสรุธรรมะนี่นะในสิ่งที่เราพูดมันจะตรงหรือเปล่าก็ไม่รู้จะมีผลหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าท่านจัดสรุท่านแสดงท่านรับผิดชอบของท่านแล้วท่านก็ปฏิบัติได้รับผลมาแล้วเราเกิดไปแสดงตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าคนเกิดฟังเชื่อแล้วไปไปฏิบัติตามข้าวเลยสร้างบาปให้แก่คนอื่นเข้ารบเข้าพงกันเป็นการใหญ่ดังนั้นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงหรือว่าตรงกันข้ามกับที่พระองค์ทรงสรแสดงจึงกลายเป็นบาป เพราะอะไรเพราะทําความเดือดร้อนให้คนเป็นขบวนไปเลยนะเป็นขบวนไปเลยแล้วใครฟังตามกันไปก็ผิดกันเป็นแถวไปเลในชั้นของการกระทํามาจากภายนอกเราต้องชี้แจงในชั้นของบุคคลที่เป็นพุทธศาสนิกต้องไม่กล่าวตู่พระพุทธเจ้าในชั้นของการตัดสินบุคคลจะยกย่องจะตำหนิบุคคลก็ดูที่กรรมคือการกระทําของเขา ไม่มีการเหมาโหลนี้ก็คือหลักของพระพุทธศาสนาสมาวันนี้ก็ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่า น, นี้ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน